แม้ว่าผมจะหายป่วยไข้แล้วจากโรคดีฟอร์ก็ตามแต่หัวใจของผมยังคงมีวอกแวกหวาดเกรงหาเป็นปกติไม่ผมต้องพักการเล่าเรียนสนานซึ่งผมเสียดายที่สุดในการศึกษาพระอาทิตย์ต่ำลงค่อนฟ้าเสียงโซ่เรือลากพาดหัวบันไดน้ำดังกราวใครสักคนคงมาหาเป็นแน่ผมเดินไปที่หน้าต่างผู้ที่มาหาคือพี่สอนมีสีหน้ายิ้มอย่างตื่นเต้น และดูมีกิริยาหอบน้อยๆยายอยู่ไม่ว่าคำตะโกนถามเสียงเหนื่อยอยู่ทำไมนะพี่สอนถ้ามีเรื่องจะบอกเว้ยยายจ๋ามีเรื่องแปลกพี่ลึกละฉันรีบมาบอกพี่สรเปิดปากแต่ยังไม่ทันจะนั่งลงเรียบร้อยเรื่องอะไรกันอีกละ่ะยายถามเรื่องนอัน๋นพอออกชื่อณอัน๋นทั้งยายและผมต่างผงะไป ต, ตามๆกัน สำหรับผมใจมันเสียวปลาบชื่อนี้เป็นชื่อที่น่ากลัวเสเหลือเกินแม้แต่ยายเองก็ดูดูจะมีความรู้สึกเหมือนกับผมทำไมวะแกถามสั้นๆมีเรื่องจะยายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพี่สอนซึ่งมีนิสัยปากพูดไปมือไม้ไม่ตบพื้นก็ตบเข่าผู้ฟังก็หลวงน้าปั่นที่วัดนั่นแหละท่านว่าน้าอั๋นมาเข้าฝันท่านในฝันเนี่ยบอกว่าน้าอั๋ น, นยังไม่ตาย เวลานี้ฟื้นตัวแล้วแต่ว่าอยู่ในหลุมมาขอให้ท่านไปช่วยขุดเขาขึ้นจากดินหายใจแทบไม่ออกอยู่ละแต่ขอให้ขุดเขาขึ้นตามเวลาที่กำหนดให้ก็คือให้เป็นเวลาเย็นจนพลบค่ำและขอให้ญาติพี่น้องไปรับกันทั่วนหน้าเวลานี้ตาแกรีบบอกวงญาติทุกคนฉันเนี่ยก็เลยรีบมาบอกยายนี่ลจะจ้เมื่อยายฟังพี่สอนพูดแล้วก็มีสีหน้าสงสัยสนเทจะเชื่อก็ไม่ใช่ จะไม่เชื่อก็ไม่เชิงแต่ผมนั้นชักหนาวขึ้นมาอีกจะอย่างไรก็ตามแม้จะรู้ว่าณนะอั๋นจะฟื้นกลับขึ้นมาเป็นคนอีกครั้งก็หาเกิดความยินดีไม่เพราะว่าใจมันแน่ซะแล้วว่าณอั๋นคือผีอย่างแน่นแฟ้นเมื่อตอนรู้ว่าตายก็กลัวครั้นรู้ว่าจะฟื้นก็กลัวอีกจะเป็นไปได้อย่างไรกันคนตายแล้วลงหลุมไปแล้วตั้งหลายวันจะกลับฟื้น ถึงฟื้นขึ้นมาได้ผมก็ไม่กล้าจะพบหน้าแก่ได้ยายยังคงนั่งนิ่งอึง้งพี่สอนก็กล่าวสนับสนุนข่าวอยู่ไม่ขาดปากอ้างว่าเรื่องอย่างนี้เคยมีอยู่บ่อยๆตามข่าวตายแล้วฟื้นก็มีถมเถไปตายไปตั้งเจ็ดวันฟื้นขึ้นมายังมีตายแล้วยังไม่เน่าก็ยังมีก็อย่างเล่าว่าได้ไปพบกับญาติที่ตายไปแล้วอยู่ที่เมืองผี จิงจะยายเขาว่ากันแบบนี้นะคนที่ฟื้นกลับมาเล่าว่าเมื่อตอนไปเนี่ยมีพวกย ม, มาบาลมาจับตัวไปครั้นถึงนายใหญ่ก็มีการตรวจบัญชีกันก็ว่าคนนั้นยังไม่ตายคนนี้ยังไม่ตายแต่ว่าลูกสมุนจับตัวไปผิดหัวหน้าย ม, มาบาลก็เลยต้องส่งตัวผู้นั้นกลับมาให้มีชีวิตอยู่จนเดี๋ยวนี้ก็มีลูกหลายคนละคุณปั่นแกจะฝันไปเองกระมังวะยายแย้งอย่างไม่หนักแน่น จะจริงหรือไม่จริงฉันก็ไม่รู้หรอกนะยายแต่พระท่านว่าท่านฝันอย่างนั้นทั้งน่อันก็ยังวอนให้ขุดขึ้นทาให้ขุดตามขอก็จะไปเข้าฝันรบกวนอยู่ร่ำไปพี่สอนพูดพร้อมกับทําตาลุกชันว่ากูละสงสัยจังเลยวะยายร้องอย่างไม่แน่ใจกูนี่กลัวเหลือเกินกลัวว่าจะเป็นไอ้เหลวกับไอ้เปล่าซะละนะฉันก็ไม่รู้สิยายพี่สอนพูดเบาลง เขาให้มาตามฉันก็มาอะและตาเองเขาจะให้ฆ่าไปเมื่อไหร่ละ่ะก็พร้อมกันนี่แหละฉันถึงมารับยายไงณนะเวลานั้นก็เป็นเวลาบ่ายแล้วเราก็เลยตกลงไปตามคําเรียกร้องที่ให้พร้อมวงญาติว่าจะขุดผีขึ้นมาอีกให้เหม็นเล่นผมไม่สมัครใจก็ต้องทนไปอีกเหมือนคราวก่อนเพราะมีเรื่องบังคับว่าต้องไปคือว่าอย่างนึงห่างยายไม่ได้ด้วย อย่างสองไม่สมัครใจอยู่บ้านคนเดียวโดวยไม่มีใครอยู่มันฝืนใจแต่คิดไว้ว่าเวลาเข้าขุดหลุมจะแอบบังหลังคนอยู่ห่างๆจะไม่ยอมดูรูปร่างหน้าอัน๋นที่ใครๆเขาเรียกว่าผีแล้วครั้นมาพร้อมวงญาติกันที่บ้านของหน้าอัน๋นเวลานั้นเป็นเวลาเย็นมากๆก็เลยต่างพากันตรงไปที่วัดพอถึงหน้าวัดผมใจหายภาพยังติดตาที่เคยถูกผีหลอกตรงหน้าวัดนั่นหากว่าเวลานี้ เป็นเวลาเย็นที่ยังคงมีแสงแดดก็เลยค่อยอยังชั่วหากเป็นเวลาพลบค่ำหรือกลางคืนคงจะหวั่นไหวอีกเป็นแน่แต่ใจก็เชื่อว่าตรงนั้นคงมีปีศาจ ส, สิงอยู่ขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ผู้เข้าฝันจะให้ขุดพวกญาติญาติก็เลยไปรวมกันที่กุฏิหลวงน้าปัน่นทางหลวงน้าปั่นก็เตรียมจอบเตรียมเสียมไว้พร้อมทั้งคมไฟพวกญาติก็คุยกันเป็นกลุ่ม บางคนก็มีสีหน้ายินดีที่ญาตจะกลับฟื้นแต่บางคนก็มีสีหน้าหนักใจอยู่บ้างการสนทนาจึงต้องแยกกันเป็นกลุ่มบางกลุ่มออกความเห็นบอกว่าผีจะหลอกให้ขุดมากกว่าละมั้งตายมาแล้วได้เจ็ดวันพอดีถ้าฟื้นจริงจะหายใจได้ทางใดเล่าที่ใต้ดินทำดีไปเถอะเดี๋ยวพอขุดขึ้นมาพ่อโดดกอดคอใครเข้าจะว่าอย่างไรผมฟังแล้วก็ออกหนาวติดหมัดขึ้นมาเลย ไม่มีความรู้สึกสบายใจตลอดเวลามันวาบหวามอยู่เรื่อยตะวันยิ่งค่อนต่ำลงหัวใจยิ่งจะมืดลงไปด้วยระฆังวัดย่ำค่ำครางเยือกเย็นสุนัเขเห่าหอนตามระเบียบของมันที่ชายวัดด้านโน้นเป็นเขตป่าช้ามีไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่ระเกะระกะอากาศแถวนั้นจึงมืดครึมน่ากลัวเวลานี้พวกญาติก็พร้อมใจกันจะไปขุดศพแต่ดูยังกับสภาพจะไปฝัง ระฆังวัดดังระงมดังส่งวิญญาณเวลาย่ำค่าพวกผู้ใหญ่เคยพูดไว้ว่าเป็นเวลาที่ผีจะออกจากที่เก็บแล้วก็หลุมฝังศพคิดและทำใจให้กระวนกระวายยิ่งนักอะลงมือกันหรื อ, อยังล่ะหลวงพี่เสียงใครบางคนร้องถามแล้วก็มีเสียงแซงถามขึ้นมาอีกแต่เป็นเสียงเต็มใจบ้างไม่เต็มใจบ้างบางเสียงก็บอกว่าขุดกลับสทีนอนหลับอยู่หลายวันมาละหน้าตาจะเป็นอย่างไรป่านนี้ เสียงครั้งหลังนี้ไม่เป็นมงคลหูเลยรู้สึกเกลียดคนพูดจริงๆบางคนทำท่าอยากจะไปขุดนักอยากจะยุ่งกับของเหม็นของน่ากลัวดูกล้าหาญอย่างกับคนบ้าแท้ๆอยากรู้นักนะว่าถ้าเปิดฝาลงขึ้นมาแล้วล่ะก็ใครน่าจะเป็นคนชะโงกหน้าดูลงศพคนนี้ยเป็นคนแรกว่าน้าอันที่อยู่ในโงเนี่ยจะฟื้นจริงหรือเปล่าครู่นั้นเองหลวงนับปั่นก็เดินนาหน้าพวกญาติมุ่งเข้าสู่เขตป่าช้า เราก็เดินกันเป็นแถวเป็นสายยาวที่หลุมดินยังพูนอยู่มากเพราะว่าเป็นศพใหม่ป้ายชื่อปักไว้เด่นแสงสว่างยังพอมีอยู่บ้างยังไม่ถึงกับต้องจุดไฟหลวงน้ำปั่นบอกให้ลงมือขุดได้พวกที่ใจกล้าแข็งก็ช่วยจอบเสียมลงมือกันทันทีเป็นเวลาชั่วครู่เสียงคนขุดร้องว่าถึงแล้วผมบางหลังยายและก็ญาติฝ่ายหญิงอยู่ห่างๆพร้อมกับใจคอที่เต้นระส่าระสาย เจ้ากลิ่นศพอื่นที่ฝังตื้นๆทรงกลิ่นชุยๆทำให้เกิดความกลัวขึ้นทันทีเสียงผู้ทำการขุดโต้เถียงกันเองว่าควรขุดด้านนู้นก่อนด้านนี้ก่อนจะได้ยกลงขึ้นสะดวกชั้นแรกผมไม่ตั้งใจอยากจะดูแต่ก็อดชะเง้อไม่ได้เอามือยันไม้หลักอันหนึ่งเพื่อยันตัวให้สูงด้วยใจเต้นรัวอยากจะรู้ว่าลงจะขึ้นพ้นดินแล้วหรือยัง มาสะดุ้งตัวเอาอีกทีหนึง่งตอนที่นึกเฉลียวใจว่าตัวเองกําลังเอามือเนี่ยไปยันกับไม้อะไรอยู่มันเป็นไม้ปักชื่อของผู้ที่อยู่ใต้ดินก็เลยรีบหดมือแล้วก็โดดออกห่างด้วยความขแยงใจไม่ช้านั่นเองลงก็ได้พ้นหลุมขึ้นมาจนเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้พวกที่มุงดูอยู่ชักจะถอยห่างออกบ้างผมก็แอบดูตามช่องรักแร้เขาเห็นไม่มีใครกล้าเปิดลงยืนมองหน้าเกี่ยงกัน ไม่มีใครกล้าเปิดพร้อมกับมีเสียงบอกว่าใครจะเปิดละ่ะหลวงหน้าปันก็ถามแต่ไม่มีใครรับปากเลยสักคนหนึ่งลงท้ายหลวงนาปันกับพระอีกสองรูปก็เลยช่วยกันงัดฝาลงเสียงตะปูถอนดังแกรกเสียงกระทุ้งดังตึงตังมันยิ่งเร่งเร้าหัวใจนักมันเป็นเสียงของการจะได้พจนกับท่าทางของผู้ที่นอนอยู่ข้างใน น, นั้นเสียงดังแกรกใหญ่แล้วเสียงฝาลงก็ถูกไงลงดินดังพลัก แสดงว่าฝาโลงถูกเปิดออกหมดแล้วเสียงของผู้คนเงียบเหมือนกับถูกบังคับไม่มีใครพูดอะไรกันเลยแม้แต่จะออกความเห็นกลิ่นเหม็นเน่าของศพได้พุ่งขึ้นมาพร้อมกับกลิ่นน้ำอบไทยอย่างผืออืดพืออมทุกคนอึดใจผมอัดใจแทบขาดใจตายทำไมเหม็นละหลวงพี่ครับถ้าจะเหลวสะละเสียงใครในจานวนญาติรองขึ้นถามนั่นน่ะสิหลวงนปั่นก็ตอบอย่างลังเล หรือจะเหม็นเพราะว่ามันอับไม่เป็นการซะแล้วล่ะครับพวกเราตาแก่คนหนึ่งพูดหลอกให้เราขุดเล่นกระดมังทำเนียมคนฟื้นก็ไม่เน่าเลยพวกทั้งหมดมองหน้ากันพูดไม่ออกผมกอดเอวพี่สอนแล้วก็ยายแน่นความกลัวได้เพิ่มขีดสูงสุดอีตอนกลิ่นกระจายอากาศมืดลงตะเกียงแสงสว่างก็ไม่ค่อยสว่างนักต้นไม้ยืนต้นทมิน จักกระจันเรไรไม่ร้องระงมตามที่น่าจะร้องในดงไม้ใหญ่จึงเพิ่มความเงียบวังเวงขึ้นลมพัดมาบ้างพอทำให้ใบไม้เคลื่อนตัวเกิดเสียงการเคลื่อนไหวคล้ายสิ่งอื่นเคลื่อนตัวในความมืดทำให้หัวใจไม่เป็นปกติผมมีหัวใจเร่าร้อนอยู่ว่าทำไมไม่กลับฝังสีอีกเล่าเปิดลงไว้เหม็นจะตายเกิดทุ่มเถียงการระเบงเซ็งแซ่ไปหมดบ้างก็โกรธ บ้างก็ให้รีบฟังบ้างก็บอกว่าให้รอก่อนให้หมดความสงสัยเสียงที่ให้รอก่อนนี้หัวใจผมจะคลั่งตายเอาวิมานอะไรกันและในบัตรนั้นเองเมื่อมีคนหนึ่งร้องขึ้นเสียงหลงบอกว่าฟื้นแล้วผมสะดุ้งทั้งตัวใจแทบจะหยุดเต้นทุกคนก็คงเหมือนกันกับผม และรู้สึกว่าเกิดการอนละวนอันละเวงกันยกใหญ่ก็อยากจะเห็นอยากจะรู้ก็ฮึดกันเข้าไปฝ่ายผู้หญิงก็มีสีหน้าซีดตื่นเต้นใจใจผมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเสียงคนเฮและพูดกันเอาสับไม่ได้ผมชะเง้อคอตามลอดช่องว่างท่อตาไปที่ปากโลงคอยดูอยู่จะรู้ว่าร่างที่ห่อผ้าขาวเน่าเปื่อยนั้นจะฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรกันกลิ่นเหม็นออกคลุ้งแสดงว่าเน่าเฟะเหตุอะไรจะฟื้นได้ ครั้นจะแทรกคนเข้าไปดูก็ไม่กล้าเอ้าพวกเราอุ้มเอาตัวออกไปเอาลงทิ้งไว้วัดหลวงหน้าปั่นร้องสั่งผมหัวใจเต้นรัวเอาผ้าขาวแล้วก็ตัดตราสังออกก่อนสิครับหลวงพี่เอ๊ะเหม็นได้อย่างไรนี่คนก็ฟื้นละอืคงจะเน่าแต่เพียงผิวหนังเท่านั้นแหละเออถ้าจะจริงเอ้าเอ า, เอาตัดผ้าออกแล้วก็ตัดตราสังด้วยนอกจากเสียงคนเหล่านี้ก็มีเสียงคนแก่ๆพูดบอกว่า ขอบคุณพระยมที่ปล่อยน้อันกลับมาอีกอย่างปราณีบ้างรับขวัญบ้างดีใจร้องไห้โฮรวมทั้งเสียงต่างๆและภาพที่เห็นหัวใจผมโอนละเวงศพที่ถูกยกออกจากโลงวางลงที่เนินหญ้าผู้คนที่อ่อนแน่นก็ค่อยๆอ อ, ออกห่างเนื่องจากกลิ่นแรงหรือมีความกลัวเจือปนซึ่งรู้รู้กันอยู่ว่านั่นคือศพอดจะชนนและก็หวาดหวั่นใจไม่ได้ ทุกๆคนกำลังหัวใจเต้นเพราะอีกประเดี๋ยวร่างกายที่เน่าเปื่อยนั้นก็จะลุกขึ้นมาได้ผมได้มีโอกาสเห็นศพได้ถนัดด้วยว่าคนที่มุงใกล้ท้อยห่างออกไปร่างนั้นอยู่ในถุงขาวห่อหุ้มตราสังมัดแน่นน้ําเหลืองเลือดหนองเลอะเทอะใครสองสามคนผมไม่รู้จักเอามีดตัดตราสังออกแล้วก็ฉีกถุงผ้าขาวแสนเปื้อนนั้นออกมองดูห่างๆใจคออดเสียวไม่ได้ ดึงผ้าขาวออกชั้นหนึ่งใจก็เต้นรัวตามไปเร่าร้อนวูบวาบหวั่นไหวประดุดว่าถ้าถึงชั้นในหรือร่างกายของผู้ตายเมื่อนั้นหัวใจผมคงจะดับลงเป็นแน่ในครู่นั้นเองผ้าห่อชั้นในหลุดออกร่างกายเน่าเฟะนอนอยู่อย่างคนตายธรรมดาไม่มีทีท่าจะฟื้นคืนชีวิตได้เลยมีเสียงถกเถียงของพวกญาติอีกพักหนึ่งกลิ่นเหม็นก็อบอวนแทบจะทนไม่ได้ กลืนไม่เข้าคายไม่ออกพุ่งเข้าไปในลําคออึดใจไว้นานก็จะขาดใจครั้นจะระบายหายใจกลิ่นที่เข้าไปทางจมูกจะพ่นออกทางคอก็รู้สึกคอขมท่านพวกนี้จะขุดผีขึ้นมาทําไมกันนะเพียงแต่ฝันก็เชื่อกันได้ขุดขึ้นมาแล้วก็เห็นอยู่แก่ตาศพก็เป็นศพอย่างนั้นแต่เมื่อสักครู่ใครตะโกนว่าศพกระดิกตัวได้ถึงกับแก่ห่อออกแล้วก็มานอนเฟะอยู่อย่างนี้คุณพระช่วย ผมพะงะหลังออกมาแล้วก็ร้องออกมาด้วยความตกใจศพกระดิกแขนได้จริงๆคนที่ล้อมดูอยู่นิ่งงันกลับเอะอะกันเซ่งแส้ผมถึงกับกลัวขาสัน่นแสงไฟส่องพอแลเห็นถนัดศพกระดิกแขนทั้งสองข้างแล้วก็กรอกหน้าช้าๆกิริยาเหมือนหุ่นยนต์ที่ชักด้วยหญยความตกใจกลัวไม่ใช่เป็นแค่ผมคนเดียวผู้ใหญ่บางคนถอยออก ผู้หญิงบางคนร้องกรี๊ดและแล้วก็ต้องตัวชายเย็นวาบถึงสันหลังเพราะเหล่าสุนัขพากันหอนต้อนรับการกระดิกตัวของศพทั้งพระและคริหัดยืนดูอย่างง ง, งๆแต่แก่สับปเปลือก ข, ข้าเครอะสองคนก้าวล้ำเข้าไปตรงเข้าไปยกศพหัวท้ายวางบนฝ่าลงที่งัดออกแล้วร้องชวนเพื่อนกันอีกหลายคนให้ช่วยกันไปหามไปที่ศาลา เกิดเงียบอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่มีใครเต็มใจจะคลุกกับน้ำเหลืองที่เหม็นจนเวียนหัวแต่ก็มีคนแก่ๆอีกสองสาคนที่พอจะเคยคุ้นกับศพเน่าเหม็นโดดเข้าไปช่วยหามขึ้นไปบนศาลาทั้งหมดก็เฮตามกันไปทั้งหมดแต่ไม่มีใครสมัครใจไปเดินอยู่ข้างหลังเพราะเป็นความรู้ที่แน่ชัดทุกคนว่าข้างหลังคือป่าช้าที่เต็มไปด้วยศพนับไม่ถ้วนส่วนผมเลือกอยู่กลางขบวนเพราะจะลำหน้าไปก็ใกล้ศพน้าอันที่หามไป คืนนั้นทั้งคืนพวกพระเกือบทั้งวัดพร้อมด้วยคาราวาสอยู่ยามกันตามศาลาพระรูปใดที่มีวิธีจะแก้ไขศพให้ฟื้นเร็วก็แก้ไขไปตามเรื่องเช่นเอากระดาษฟางมามากๆมาคอยซับน้ำเหลืองเอาน้ำอบมาพรมเพื่อดับกลิ่นหายาหอมชูกําลังมากรอกปากผู้ที่ฟื้นให้มีกําลังแล้วก็มีการสวดต่ออายุกัน คนแก่ก็พร่ำรับมิ่งชิงขวัญขอให้อายุยืนจนกว่าจะแก่เท่าเจ็ดวันผ่านหลังไปแผลตามตัวของผู้ฟื้นค่อยๆหายลงบ้างเกือบจัดว่าเป็นคนธรรมดานั่งลุกได้นานๆอาหารก็เริ่มรับประทานได้บ้างพวกญาติจึงรับกลับบ้านและคิดกันไว้ว่าจะฉลองขวัญให้สาสมกลับที่คืนร่างเป็นมนุษย์อีกครั้งเหมือนดังเกิดใหม่และบ้านที่กลับมาอยู่ก็เป็นบ้านที่เขาตายนั่นเอง ยายกับผมต้องอยู่จนเขาฉลองกันเรียบร้อยจะเพราะอะไรก็แล้วแต่ใจผมก็ยังคงระแวงแม้จะทราบว่าหน้าอ่านฟื้นคืนชีพเป็นคนเรานี่แหละแต่มันก็ยังแว่วๆอยู่ว่าแกก็คือศพที่ตายแล้วเจ็วันขุดขึ้นมาก็เน่าเฟะหากจะรักษาหายก็คงไม่ไว้ใจอยู่นั่นเองตั้งแต่ฟื้นขึ้นมาและมาอยู่บ้านยังไม่เคยศบตากันเลย ในตาของแกบัดนี้เป็นในตาอีกคู่หนึ่งซึ่งผิดไปจากแววตาณน้อันแต่เก่าก่อนมีแวว ล, ลึกและคมเฉือนหัวใจนักบางคราวคล้ายจะมองใครๆโดยกิริยาแอบๆมีเล่กระเทผมสังเกตเสมอและนึกเห็นว่าในตานั้นเป็นตาของผู้มีจิตคิดประทุสร้ายโดยแท้และที่สงสัยใจทำให้เกิดขยาดกลัวก็เพราะน้อันเคยรักผมดี แต่บัตรนี้ไม่มีกิริยาหรือแววตาว่าจะรักผมเหมือนที่เขาเคยรักมาแต่เก่าก่อนยิ่งกว่านั้นทาไมไม่รู้จักผมค ล, คล้ายคล้ยกับจะจําไม่ได้หรือว่ายังไม่หมดความเจ็บไข้หรือประสาทของแกจะยังไม่คงเดิมฟั่นเฟือนจําใครและเรื่องราวอะไรไม่ได้แววตานั้นจึงเป็นแววตาที่ไม่เหมือนเดิมและข้อสังเกตที่น่าสงสัยอีกข้อนึงก็คือไอแวน สุนัขเลี้ยงเก่าแก่มันไม่ยอมเข้าใกล้นอัน๋นทั้งๆ ท, ท, ที่มันเคยรักนอั๋นมากๆท่าหน้ามันกับนอั๋นตรงกันเข้าเมื่อไหร่มันก็จะครางเบาๆแล้วก็ถอยหลังที่พักของนอัน๋นพวกญาติได้จัดให้อยู่เรือนหลังหนึ่งไม่มีฝาดูคล้ายกับโรงโขนครั้นจะให้อยู่รวมกับพวกญาติตัวคนเจ็บไม่ยอมจะอยู่ร่วมขออยู่สันโดษหากว่าจะมีบ้านอีกสักหลังหนึ่งซึ่งไม่ติดต่อกับใครเขาคงจะขออยู่หลังนั้น แต่หากจนใจเพราะเรือนทุกหลังมีคนอยู่เต็มหมดจะยึดเป็นสิทธ์แต่ผู้เดียวได้ก็แต่เรือนโรงโขนฝาไม่มีนั่นเองผมเคยถูกใช้ให้นำอาหารไปให้นอัน๋นโดยผู้เดียวตัวต่อ ต, ต, ต, ตัวครั้งหนึ่งเกิดอึกอกักถึงกับบอกปฏิเสธอย่างแข็งแรงไม่ยอมเด็ดขาดที่จะใกล้ไกลยนอัน๋นนับแต่แกนั่งนั่งนอนๆอยู่โรงโขนมาหลายวันผมไม่เคยเข้าไปใกล้เลยมองแต่เพียงห่าง คืนนั้นเกือบค่อนรุง่งห้องนอนของผมอยู่ด้านหนึ่งห่างเรือนโลงนั้นเล็กน้อยถ้าโหล่หน้าต่างก็เห็นภาพมนุษย์ครึ่งคนครึ่งผีได้ถนัดชัดเจนเมื่อผมปวดปัสสาวะลุกจากมุ้งงนเงนินอดที่จะมองจากช่องหน้าต่างออกไปไม่ได้เพราะผมอยู่ในที่แงมืดอาจมองทางโน้นได้ข้างเดียวที่นาอันนอนนั้นเขาจุดตะเกียงตามไฟไวสว่างตลอดรุง่งจึงมองเห็นร่างของแกได้ถนัดแปลกใจที่แกไม่ยกกันนอน แกนั่งอยู่บนที่นอนเงียบๆมุ้งตลบขึ้นไม่เอาลงแสดงว่ายังไม่ได้นอนเลยแต่ผู้คนในบ้านนอนกันเงียบนับว่าในยามนั้นและบ้านนั้นมีมนุษย์ที่ยังไม่หลับคือผมกับน้าอั๋นเท่านั้นและทุกๆสิง่งเงียบสงัดสงบนิ่งแม้แต่เสียงจิ้งจกตุกแกก็ไม่มีนานๆจะมีเสียงไก่ขันอยู่ไกลๆนึกใจคอไม่ค่อยดีนึกเสียใจตนเองที่เกิดปวดปัสสาวะในยามนี้ ถ้าหากหน้าอั๋นเหลือบมาเห็นแล้วรองเรียกให้ไปหาจะว่าอะไรกันนี่นกกุ๊กร้องอยู่บนยอดไม้หน้าวังเวงหน้ากลัวหน้าอั๋นนั่งเฉยไม่กระดุกกระดิกคล้ายกับรูปปั้นนกแสกบินรองข้ามหลังคาไปผมสะดุ้งเสียวใจถึงกับสุดนั่งลงพ้นหน้าต่างแต่แล้วกลับคุมสติลุกขึ้นยืนเพราะจะเดินเข้ามุง้งในชั่วระยะที่ผมขยับกายนั่นเองผมเหลียวหน้าไปดูทางหน้าอัน๋น มนุษย์ผู้น่ากลัวนั้นได้ลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วบิดเนื้อบิดตัวอย่างกับเมื่อยขบเลียวซ้ายแลขวาเหมือนจะมองใครผมตกใจตาค้างเอ๊ะอย่างไรกันนี่หน้าอันมนุษย์ครึ่งคนครึ่งดีครึ่งเสียลุกยืนได้เมื่อไหร่แต่แรกหมอบอกว่าเส้นสายตายหมดถึงกับจะเป็นง่อยเนื่องจากถูกมัดด้วยตราสางังและฝังดินถึงเจ็ดวันร่างกายจึงชากลายเป็นง่อยป ปกตินับแต่กลับมาจากหลุมได้แต่นั่งยืนไม่ได้พูดก็ไม่ได้แต่เวลานี้แกลุกขึ้นได้ในยามดึกหากจะนับว่าเป็นบุญกุศลเส้นสายเกิดมาหายอย่างรวดเร็วโดยไม่นึกไม่ฝันเช่นนี้ก็น่าจะดีใจแก่ตัวแกเองและดีใจในวงสาคนาญาติ ด, ด้วยกันผมเกิดสะกิดใจขึ้นและขนลุกเตียวถ้าหากแกลุกขึ้นได้ด้วยเหตุอื่นละ่ะนึกไปใจก็สัน่นไม่เคยมองแกนานๆเลย คราวนี้ต้องมองนานเพราะเกิดสงสัยและทั้งถือว่าตัวเป็นต่ออยู่ในที่มืดกว่ามองดูได้ข้างเดียวข้อสงสัยแกจะทำอะไรต่อไปแกยังคงยืนเฉยคล้ายไม่แน่ใจอะไรของแกเองนอันฟื้นมาคราวนี้มีอะไรผิดผิดไปมากมายไม่ใช่น่าอันคนเดิมแต่เจ้าร่างกายของแกเท่านั้นที่แสดงว่าเป็นหนอันและหลุมที่ขุดขึ้นมาก็เป็นหลุมที่มีไม้ปักชื่อนอันโดยถูกต้อง จะเป็นเพราะผมคนเดียวหรืออย่างไรไม่ทราบได้ที่ไม่ยอมคิดว่าร่างกายที่เห็นนั้นคือหนอั๋นจริงๆเคยได้ยินผู้ใหญ่เล่าว่ามีคนตายไปแล้วสามคืนศพไม่เนา่าญาติเปิดฝาลงไว้คอยให้หมดสงสยัยแล้วก็กลับฟื้นได้จริงแต่หน้อั๋นนี่เขาทั้งผูกทั้งมัดทั้งคลุมผ้าใส่โลงตอกตะปูฝังดินตั้ง7วันแล้วกลับฟื้นขึ้นมาได้ทําให้เป็นปัญหาว่าณอั๋นที่เห็นอยู่เป็นมนุษย์หรือว่าเป็น หน้าอันไบ่หน้าเดินไปยังห้องหนึ่งอย่างช้าๆเหลี้ยวหน้าซ้ายขวาและเข้าไปในห้องนั้นทิดจุนลูกพี่ลูกน้องกันนอนอยู่ในห้องนั้นเสียงสุนัขใต้ถุนได้หอนขึ้นผมตกใจหัวใจวูบเหมือนมันจะออกมาทางปากผมโผลเข้าไปในมุง้งปลุกผู้ใหญ่ที่นอนด้วยกันอย่างกระหืดกระหอบเจ้าประคุณเอ้ยแก่ช่างขี้เซากว่าจะรู้เรื่องราวเสียงอื้ออ้าอือาดอัดผมกลัวจะเสียเวลา จึงจุดมือแกมาที่หน้าต่างและชี้ให้แกดูอย่างที่นอนของหน้าอัน๋นเอ๊ะอะไรกันเนี่ยหน้าอั๋นยังคงนอนอยู่ที่เดิมเมื่อกี้แกลุกไปทางห้องโน้นทําไมกลับมาเร็วนักล่ะอะไรกันผู้ใหญ่คนนั้นกระซิบถามผมดวงตาแกก็จับดูทางหน้าอั๋นอย่างสงสัยผู้ใหญ่คนนั้นคือทิดก่อยนั่นเองเมื่อกี้แกลุกเดินไปห้องทิดจุน่นผมบอกแกและก็ลังเลเป็นกําลัง บ้าจะลุกได้อย่างไรคนเป็นง่อยทิศก่อยดุและบ่ายน่าจะเข้ามุง้งโถ่ฉันเห็นจริงๆนะก่อยเดินไปได้จริงๆมึงตาฝาดไปนะสิผมหมดหนทางไม่มีอะไรจะพูดนอกจากอึดอัดและนึกงงช่วเวลาปลุกทิดก่อย 2- อสามอึดใจหน้าอันกลับมานอนซะแล้วผมเลยกลายเป็นคนตาฝาดให้ตายเถอะเห็นกับตาจริงๆ คลานเข้ามุ้งตามทิดก่อยตั้งใจจะนอนต่อไปแต่ว่านอนไม่หลับใจมันก็ครุ่นคิดถึงภาพที่เห็นเมื่อกี้หูคอยแว่วฟังเสียงอยู่ตลอดเวลาสักครู่ทิดก่อยก็นอนกลนต่อไปตกลงในบ้านเวลานั้นมีคนที่ไม่หลับเพียงสองคนคือผมกับหน้าอ๋นันตอนรุ่งเช้าไม่มีใครรู้เรื่องราวอะไรในยามดึกนั้นเลยทุกคนต่างมุ่งหน้าประกอบกิจการของตน ผมนั่นเป็นคนคอยจับตาดูกิริยามนุษย์ครึ่งผีและคอยดูความผิดแผกของทิจจุนอยากรู้ว่าทิจจุนจะเป็นอย่างไรให้ตายสิทิจจุนเป็นไข้ขึ้นตอนสายและเป็นอาการหนักตาแดงก่าดังสายเลือดพูดไม่เป็นภาษาตอนนี้เองทิจก่อยหันมามองดูผมและชักจะเชื่อเหตุการณ์ตอนดึกที่ผมเล่าให้ฟังและตกบ่ายนั่นเองทิจจุนได้ตายลงโดยหมอปะทะไม่อยู่มีการฝังกันอีก แต่ผมไม่เอาแล้วเข็ด จ, จนตายไม่ไปกับเขาคงอยู่บ้านกับอีกหลายคนการโกลาหนนได้เกิดขึ้นอีกอย่างหนักอีกสองสาวันคนบ้านติดติดกันก็ได้ตายไปอีกผู้หญิงสองผู้ชายสยายผมขาดต่อการไข้กว่าใครแกรีบพาผมข้ามคลองไปอาศัยบ้านพักพวกเยื้องกันเล็กน้อยพอตะโกนกันถึงครั้นจะกลับบ้านซะเลยก็น่าเกลียดด้วยเป็นยามกรียุค อีกหลายคนในบ้านก็เริ่มระแวงและเพ่งเล็งถึงมนุษย์เครื่องผีเครื่องคนขึ้นบ้างแล้วแต่ทิดก่อยนั้นเชื่อแน่เลยแอบกระซิบกับผมว่ า, าแรกเนี่ยกูก็ไม่เชื่อมึงว่ะแต่ว่าตอนนี้กูเชื่อมึงแล้วนะทุกคนต่างตีห่างไม่กล้าจะมีใครเข้าไปกล่ำมกระลน่น้อั๋นมีแต่ตาซึ่งเป็นพ่อของนอั๋นเท่านั้นยังคงเข้าใกล้ชิดตามเคยพอรุ่งขึ้นคนไข้อีกห้าคนหญิงสองชายสามที่เจ็บอยู่ก็ตายลง เกิดการตายในละแวกบ้านใกล้เคียงนอันจึงร้อนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านบังคับคนที่ยังไม่เจ็บให้ย้ายหนีไปโดยเร็วพวกคนแก่กระซิบด่าแช่งชักหักกระดูกมนุษย์ครึ่งผีอย่างกระซิบกระซาบต่อมาการตายของญานนั้นก็เพิ่มขึ้นอีกจึงต่างย้ายหนีกันไปหมดปล่อยทิ้งมนุษย์ครึ่งผีแต่ผู้เดียวนอนแซวเกิดการทุ่มเถียงกันขึ้นในหมู่วงศาคณาญาติอย่างหนัก ที่พวกย้ายหนีการตายจะเอาหน้าอั๋นไปด้วยไม่มีใครยอมรับรองกระทั่งผู้หนีก็ไม่ยอมจะเอาไปด้วยลุงก็เลยจนปัญญาต้องหนีไปแต่ตัวการอบพยพได้เป็นไปอย่างบ้านแตกสาหรกขาดละล้าล ะ, ล, ะลังห่วงหน้าพวงหลังญาติบางคนปรงอนิจจ์หนอัน๋นสู้อุตสาหขุดขึ้นมาพ้นความตายเท่ากับเกิดใหม่บัดนี้จะต้องมาถูกทอดทิ้งทั้งทั้งที่ยังเดินไม่ได้แล้วใครจะห่งหาให้กิน เมื่อนึกดูก็น่าเวทนาการตายอย่างไรเนรนาศเมื่อไปสงสัยหน้าอัน๋นมันก็แต่สงสัยความจริงมันก็หาแน่ชัดลงไปพระหน้าอั๋นนอนแสวอยู่กับที่แต่คนอื่นเป็นไข้าตายกันไปเองเมื่อจะลงโทษก็ยากที่จะเอาอะไรมาพิสูจน์ลักษณะการของหน้าอั๋นที่ลุกขึ้นเดินได้นในยามดึกนสีเป็นประการแน่ชัดแต่ก็มีผู้รู้เห็นเพียงผมคนเดียว ผู้ที่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ก็ยังลังเลใจทิ้งคนไข้ไว้ไปลงคอยังนอนเจ็บและหายใจอยู่แท้ๆจะทิ้งไปได้ก็ใจร้ายนักผู้ที่ห่วงมากที่สุดก็คือตาผู้เป็นพ่อของหนาอัน๋นตาัดสินใจว่าจะต้องอยู่เป็นเพื่อนหนาอัน๋นยายกับผมยังคงอาศัยบ้านอยู่ตรงข้ามคลองตามเดิมเพื่อช่วยเหลือตาใหญ่เมื่อยามฉุกเฉิน บ้านฝั่งเดียวกันกับหน้าอันพากันทิ้งบ้านไปหลายหลังก็เลยกลายเป็นตำบลที่เปลี่ยวแล้วก็วังเวงเงียบเหงาอย่างน่าสยดสยองผมร้องไห้ด้วยความกลัวและกลัดกลุ้มอยากจะกลับบ้านไปซะให้พ้นแดนปีศาจร้ายแต่ว่ายายยังไม่ยอมกลับอ้างว่ายามคับขันเช่นนี้เป็นญาติกันถ้าให้ห่วงกันก็จะรู้สึกว่าเป็นคนใจดําที่สุดผมถอนใจสะท้อนตอนพระอาทิตย์ตก พวกสุนัข ก, ก็เริ่มเห่าหอนกันเป็นหมวดเป็นหมู่คำพูดของยายเมื่อตอนแรกก็กล้องอยู่ในสมองว่าเสียงอย่างนี้เป็นเสียงสัญญาณแห่งมรณะหัวใจผมแทบจะทะลักผมมองไปที่บ้านมนุษย์ผีเห็นตัวเรือนดำมืดปราศจากแสงไฟไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่ใกล้บังแสงสว่างจนทำให้ทั้งบริเวณนั้นมืดทึบ แสงอาทิตย์แดงฉานที่กำลังรับดินส่องแสงแดงฉานลอดตามช่องโหว่ของกิ่งไม้ดูน่ากลัวมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งเลือดแห่งความตายสุนักไม่หยุด้อนผมร้องไห้ขึ้นมาเฉยๆเริ่มจะนึกห่วงตาใหญ่สงสารแกที่ตัดสินใจอย่างกล้าหาญผจญอยู่กับอันตรายทั้งโรคร้ายและพูดผีปิศาจบ้านนั้นนอกจากหน้าอันที่น่ากลัวอยู่แล้วยังมีการตายของทิจจุนบนบ้านอีก รวมทั้งการตายของคนอื่นที่บ้านหลังติดติดกันจนตอนดวงตะวันลับโลกจนมืดมิดก็มีเสียงววยวายขึ้นที่บ้านนอ่านเป็นเสียงผู้ชายพวกสุนัข ก, ก็หอนประดังขึ้นจนฟังไม่ได้สับเสียงนั้นเป็นเสียงที่เกิดจากความกลัวยายแลกใครๆในบ้านที่อาศัยเขาก็ตกใจกันไปทุกคนต่างก็วิ่งออกนอกชานจ้องมองฝ่าความมืดไปยังเสียงนั้นแต่ความมืดทาให้ไม่ได้รู้ว่าที่นั่นกาลังมีอะไรเกิดขึ้น เสียงร้องนั้นดังแหวกเสียงมาหอนดังข้ามคลองมายังเราเป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือทุกคนตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอย่างไรบ้านมหาภัยนั้นไม่มีใครกล้าเหยียบย่างเข้าไปและเสียงร้องนั้นแน่ชัดว่าเป็นเสียงตาใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นน้อันทำอะไรแกทุกคนหน้าตื่นมือไม้สันใครหล่ะจะข้ามไปที่นั่นก็ได้แต่เพ่งตาแทบประทุก็ไม่ทะลุเห็นภาพอะไรได้ มันดำมืดจริงๆผมใจคอพลุ่งพล่านจะเป็นลมหมาไม่หยุดหอนเรายืนกันที่นอกชานหลายคนแต่ไม่เกิดความอบอุ่นเลยไม่มีใครคาดคะเนดได้ว่าป่านนี้ตาจะเป็นอย่างไรและเสียงร้องขอความช่วยเหลือของแกได้เงียบไปคงยังอยู่แต่เสียงสุนัขทั้งเห่ากระโชกและหอนทิศปอเจ้าของบ้านที่เราอาศัยฮึดฮัดไปกันนะฉันนาหน้าเอง จึงเอะอะหาคบไฟและมีดไม้ทั่วตัวคนบ้างทำเสียงขึงขังปลุกใจตนเองให้กล้าแข็งเพื่อจะข้ามไปบ้านมรณะกระนั้นเสียงที่ทำขึงขังก็ยังมีสั่นแสลงเจือปนผมเป็นเด็กไม่ต้องไปกับเขาอยู่กับพวกผู้หญิงและยายที่บ้านนี้รวมผู้ชายได้หกคนถือคบเพลิงและอาวุธครบมือลงเรือพวกชาวบ้านใกล้เคียงทั้งสองฝากโผล่หน้ามาดูกันสลอนบางบ้านเอาเรือออกมาสมทบ เดินขบวนขึ้นบนลานบ้านแสงไฟสว่างสวยัยผมมองดูด้วยหัวใจระทึกอยากจะทราบว่าผลมันจะลงเอ่ยประการใดพวกที่ไปทำเสียงให้คึกคักเอะอะจนฟังไม่ได้สับคนเหล่านั้นแห่กันขึ้นเรือนแสงไฟที่ลานดินจึงมืดลงผมรอฟังผลอยู่เกือบชั่วโมงพวกนั้นก็ลงเรือกลับพวกเราที่บ้านพยายามเพ่งตาดูว่าตาแกกลับมาด้วยหรือเปล่าแต่ก็มองไม่ถนัดเพราะคนหลายคนบังกันหมด พอเรือเทียบฝั่งพวกเราก็เฮลงไปถามกันทิศไกรตายซะแล้วเป็นเสียงร้องบอกจากพวกนั้นใครตายยายผมร้องถามทิศไกรพอขาดเสียงยายร้องไห้โฮทิศไกรก็คือตานั่นเองพี่สอนก็ร้องไห้ประดังมาด้วยพวกที่ข้ามไปได้เล่าให้ฟังอย่างกระหืดกระหอบว่าพอขึ้นไปบนเรือนก็พบตานอนตายอยู่แล้วตาปลิ้นโผนแบบถูกบีบคอ นอนหัวห้อยอยู่ที่นอกชานส่วนหน้าอั๋นหายไปอย่างประหลาดบัดนี้แน่ใจกันแล้วว่าหน้าอั๋นนั่นคือผีและเป็นผีใครอื่นที่เข้าสิงในร่างกายหน้าอั๋นมาความผิดคือพวกเราไปขุดเอาผีขึ้นบ้านความลังเลสงสัยในหน้าอั๋นแดงขึ้นแล้วทุกคนอกสั่นขวัญหายหน้าไม่มีสีเลือดในครู่หนึ่งชาวบ้านใกล้เคียงลงเรือข้ามมาอาศัยบ้านเรากระซิบกระซาบกันเป็นกลุ่มๆ ที่ใครมีเครื่องรางดีแข็งใจกลับฝั่งเดิมมีใครคนหนึ่งเสียงครั่นด้วยฤทธิ์เล่ากูจะตามไม่อัน้นกูจะสับให้แหลกสาบมันลงนรกอย่าผุดอย่าเกิดมันฆ่าพ่อมันไอสัตว์นรกมาเกิดเวลานี้ศพของตาได้เอามานอนไว้ที่นั่นก่อนจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าจะได้เอาไปจัดการที่วัดกะไว้ว่าทุกคนจะไปทาบุญที่วัด ที่บ้านนั้นไม่มีใครสมัครใจไปทำบุญจะต้องทิ้งร้างอย่างนั้นพลางๆก่อนตามที่ตกลงกันในหมู่ญาติรุ่งเช้าอีกหลายครอบครัวได้อพยพข้ามฟากมาอาศัยฟากนี้ดูอุ่นหนาฝาข้างดีสำหรับฝั่งเรามีพวกผู้ใหญ่หลายคนข้ามไปเพื่อนำศพตาไปวัดกว่าจะขึ้นเรือนได้ดูต่างเกี่ยงกันขึ้นก่อนขึ้นหลังกว่าจะเอาศพไปวัดได้ก็เกือบเที่ยงวันพระอีกหลายรูปมาช่วยดูเป็นการโกลาห น, หนัก พระแก่ๆรูปหนึ่งก็ได้ตามมาบ้านทุกบ้านผูกสายสินลงเลขยันต์ป้องกันให้พวกเด็กและผู้หญิงสวมมงคลและตะกรุดกันพื้นไปเลยเมื่อฝังศพตาสำเร็จแล้วกลับมาบ้านตอนเย็นทุกบ้านรีบหาอาหารแต่ยังไม่ค่ารับประทานแล้วก็ปิดบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกประตูหน้าบ้านปิดเงียบบ้านไหนหาใบหนาดได้ก็เอามาแผ่กันปักรอบทุกบ้านช่องพอพระอาทิตย์ตกเราก็เข้าเก็บตัวในห้องแน่นไปหมด ผมเที่ยวหาของอุดช่องโหวาตามร่องกระดานบางคนแอบฝาลอดตาดูตามช่องโหวดูนอกบ้านคนบนบ้านเรามากมายอุ่นใจแต่สีหน้าทุกคนไม่พ้นเงาแห่งความหวาดกลัวและหนักอกหนักใจทุกคนจะหาใครยิ้มสักคนนั้นหายากบางคนนั่งห่วงวัวควายและข้าวปลาที่ทิ้งไว้ทางบ้านทิ้งให้อยู่ในความคุ้มครองของพวกสุนัขประจําบ้านไม่ปลอดภัยเลยหากมีโจรและผู้ร้ายเกิดขึ้นจะมาฉก ช, ชิงเอาไป บางคนหนักใจว่าวันข้างหน้าจะทำอย่างไรกันจะทิ้งบ้านมารวมกันอยู่แบบนี้หรอส่วนผมไม่มีอะไรจะหนักใจอย่างพวกเขาหนักใจอยู่อย่างเดียวเมื่อไห่ยายจะไปให้พ้นแดนนี้เท่านั้นเหลือจะทนทานอยู่แล้วนะยายพอความมืดเต็มที่มาที่บ้านฝั่งโน้นหอนกันเกลียวพวกเราทุกคนหน้าซีดเผือดมองตากันปริบปริบผมหนาวสะท้านถึงกับห่มผ้าแต่ก็อดที่จะแห ล, ลอดช่องฝาไปดูบ้านหนอันไม่ได้ สภาพบ้านนั้นเป็นไปอย่างเดิมมีความน่ากลัวประจำอยู่ตัวเรือนมืดดำอยู่ภายใต้ต้นไม้ใหญ่ที่แผก่กิ่งก้านสาขาเสียงหอนของหมาดูเยือกเย็นผ่อนยาวเหมือนจะหยุดแต่ก็กลับดังขึ้นอีกดังนี้ไม่รู้จบทอดแล้วทอดอีกเวลาจะเข้าไปกี่ทุ่มผมไม่ทราบผมนอนแอบยายและพี่สรแล้วก็หลับไป <S <S เหตุการณ์ตอนต่อไปจึงไม่ทราบอะไรอีกเลยจนกระทั่งเวลาล่วงเลยเข้าสุยามดึก ได้ยินเสียงอะไรกล้องมาเข้าหูทำให้สะดุ้งตกใจตื่นมันเป็นเสียงอะไรไม่แน่ชัดดังอยู่นอกเรือนกระเดียดไปข้างเสียงของคนตะโกนอย่างแหบแห้งฟังไม่ได้เนื้อความเหมือนผู้ที่อยู่ข้างนอกเรือนจะเรียกใครสักคนในเรือนนี้แต่จะมีใครได้ยินหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเพราะในเรือนที่อยู่นั้นเงียบสงัดแสงไฟก็มืดนกหากินกลางคืนบินร้องผ่านไปแล้วก็บินร้องผ่านมาดูช่างพิก น, นักคล้ายมันจะบินมาเอาเรื่องอะไรที่นี่ หรือไม่ก็บินมาพร้อมกับเสียงใครที่ตะโกนอยู่ที่ลานดินนกชนิดนี้มีคนพูดว่าถ้ามันบินข้ามหลังคาคารหากบ้านนั้นมีคนนอนเจ็บอยู่ก็ตายเลยมีหมายถึงว่ามันมาบอกถึงความตายแต่ที่บ้านนี้ไม่มีใครเจ็บอยู่เลยมีหมายถึงว่าบ้านนี้จะเกิดการตายอย่างบ้านโน้นเป็นตับตับไปอีกแล้วหรือผมคิดแล้วก็สะดุ้งใจกลัวถึงกับตัวสั่นจะเกิดการตายกันอีกหรือนี่ผมเพิ่งรู้ว่าเสียงที่ดังนอกบ้าน ไม่ได้ยินแค่ผมคนเดียวที่แท้ได้ยินกันทุกคนและได้ยินก่อนผมซะอีกเพิ่งรู้ว่าเขาตื่นกันก่อนผมใครคนหนึ่งไม่ทราบคลานไปจากที่นอนเข้าใจว่าจะไปแอบดูตามช่องโหว่ข้างฝาอีกประเดี๋ยวได้ยินใครลุกไปอีกคนหรือสองคนผมสะกิดพี่สอนที่นอนติดกันกระซิบว่าเขาไปดูกันทำไมอะประเดี๋ยก็ถูกผีหลอกหรอกพี่สบ้านเรามีใบหนาดปักอยู่มันเข้ามาไม่ได้หรอกพี่สกระซิบตอบ มันจะเข้าบ้านเราไม่ได้เราปักใบหนาดไว้ที่รั้วบ้านมันก็ได้แต่ยืนอยู่ข้างนอกเท่านั้นแหละแหมอยากดูมั่งจริงๆไปลึไปสิครั้นแล้วผมกับพี่สอนก็คลานไปด้วยกันที่ข้างฝาโว่กว่าตาจะชินกับความมืดข้างนอกก็เพ่งกันสนานครั้นแล้วภาพต่างๆที่นอกเรือนก็ค่อยๆปรากฏพอผมมองเห็นชัดก็ถึงกับโดดเข้ากอดพี่สอนด้วยความกลัว ที่ริมตะลิ่งชายคลองตรงหัวสะพานน้ามีภาพของเจ้าของเสียงยืนอยู่ที่นั่นหัวใจผมเกือบไม่กล้าแข็งจะทนดูอยู่ได้ไม่คิดเลยว่าเสียงที่ตะโกนอย่างแหบแห้งที่นอกบ้านนั้นจะเป็นเสียงของพวกนี้นี่เองเรือมาดลำใหญ่เห็นรัวๆมีฝีภายหลายคนทุกคนมองดูแทบไม่ได้ร่างกายตายซากบ้างขึ้นอืดบ้างผมใจสั่นริกริกลางลามีคนห่มผ้าคลุมตลอดตัวยืนนิ่งตั้งหน้าตรงขึ้นมาบนเรือน พวกฝีพายทุกร่างนั่งแข็งทื่อตั้งหน้าตรงไปตามลำตะคองเวลานี้เรือ น, นั้นกำลังเทียบท่าคนที่ยืนกลางลำทำท่าจะก้าวขึ้นมาบนบกผมสั่นไปทั้งตัวแต่ดวงตา ย, ยังคงจับภาพนั้นอยู่นอะอันผมหลุดปากกระซิบออกมาอย่างตกใจพี่สอนสะดุงรีบเอามืออุดปากหน้าประหลาดอากาศก็มืดเหตุใดตาผมถึงเห็นพวกนั้นได้อย่างชัดเจนที่ผมตกใจเรียกชื่อนอนออกไป รู้ว่าไม่ได้เสียงดังเลยมันเป็นเสียงครางมากกว่าเพราะลิ้นไก่ผมจะแข็งอยู่แล้วปากคอสั่นผมแทบจะร้องเพราะไม่นึกว่าเสียงเจ้ากรรมของผมที่เรียกไปตะกี้จะดนบันดาลให้ได้ยินไปถึงหูหน้าอันได้อย่างไรใครเรียกเสียงถามขึ้นมาอย่างแหบแห้งแต่ช่างชัดเข้าหูอย่างพี่กนใจผมเหมือนฝันแทบจะร้องตอบออกมาอยู่รำร่าว่าฉันเองจะนะแต่แล้วกลับยังได้ รู้สึกว่าแกมีอำนาจบังคับใจผมบัดนั้นร่างของน้าันที่คลุมผ้ารุ่มร่ามก็ก้าวขึ้นท่าน้ำแล้วเดินอย่างช้าๆแข็งๆตรงมาลานดินเฉพาะตรงกับช่องโหว่ที่ผมแอบดูเหมือนแกจะรู้ว่าผมแอบดูแกอยู่ที่ช่องนั้นแล้วแกก็ถามขึ้นเสียงแววแวงแห้งๆเยือกเย็นเข้าหัวใจทองคำหรือผมแทบจะสำลักรู้ตัวว่าหัวใจจะทะลักตาพร่าประกาย แล้วก็มืดวูบลงไม่รู้อะไรอีกเลยผมฟื้นขึ้นตอนเช้าพี่สอนกับยายบอกว่าผมเป็นลมสลบไปเพราะความกลัวล้นหัวใจและยายจะพาผมหนีไปตำบล น, นั้นกลับบ้านพี่สอนขอหนีไปด้วยไม่กล้าอยู่ปล่อยให้ญาติฝ่ายชายซ่อนๆอยู่แถวละแวกนั้นเพื่อดูแลทรัพย์สินบ้านช่องเพราะการทิ้งบ้านไว้โดยต่างกลัวปีศาจหากพวกโจรและผู้ร้ายที่ไม่กลัวก็จะพากันแห่มาขนไปหมดทั้งวัวทั้งควาย ตอนสายวันนั้นเองยายกับผมและพี่สอนสามคนลงเรือเดินทางกลับผมอดจะเหลียวดูบ้านนะอันไม่ได้รู้สึกว่ามันช่างมีอํานาจที่สุดเพียงแต่มองเท่านั้นใจก็หายวูบถัดจากการเดินทางหนีของเราสามคนก็ยังมีอีกหลายกลุ่มที่เดินทางหนีถิ่นเดิมไปอยู่ซะให้ห่างและรวดเร็วก่อนเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินจะมาถึง